เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิษุหลายรูปฆ่ากันและกันในปาราชิกสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปนณะบัญญัติถามบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานคือ